ตอนทำดีเพื <balcony> ่อพ่อวันที่6พฤศจิกายน2 5 5 9ันราสบที่สาทำไมตองกรบกริ่โกรกชนหรือะไรเนไม่ใช่เวลามันไม่กวันนี้ก่อที่จะาแก้งนก็ันนแก้ผู้ผู้สื่อารทำไมต้องเรียที่สิให้ผมของเราเนี่ยที่ชาวเขเผู้น Amen. 到外面，伊会有珠宝区，好可爱。另外就是他们就是来在南安做。<音><音> ไม่รู้จะสมมุติอย่างไงนะพวกองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะใช้ภาษามาพูด ไม่ใช่การใช้พวมประมาณ 今天 พวกเรตื่นเปลี่ยนวิกฤตเป็ น, นโอกาสนะเปลี่ยนวิกฤตเป็ น, นโอกาสเราสูญเสียสิ่งนึงนปแล้ก็ใช้วิววกฤตนี้ ผู้ใหญ่เราจะใช้ชีวิตสูวนนี้ก็มีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมีงานุพลูกหลาน แล้วคนข้างนอกก็คงไม่ได้สนสจเาคงเอ่ยชื่อได้อย่างคนหนึ่งเนาะมอเขาก็อยู่กับเราหลายอย่อยู่กับเราทุก่วงงานจตลอดก่อน เดิบอกว่าพี่เกียรติถามว่าเอตรงผมเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายเลยนะทีมัจยมคนนั้นบอกว่าไม่เดี๋ยวก็งอขึ้นมา่ไหมครับทุ่า พี่เดียร์จะพี่ขออ้างรู้ฉันไม่เป็นไรฉันหวงคนที่ฉันรักนี่เขารักฉันไม่ได้ถ้าคนนั้นเขารักเราก็เรามีตรงผมเนี่ย<ม>บอกว่าอยู่ด้านตัวเดียว มันดีแล้วแต่ไม่ได่ว่ามันทักนะเพวกคุณชี้คุณซั่ให้ตั้งอวัยวะที่มันงอกขึ้นมาได้อันนี้ยากที่สุดในร่างกายเราคุณยังวางไม่ได้แล้วกุณจะปฏิบัติทำทําไมถ้าคนที่รักเราเนี่ยรักเราก็ลงมีทรงผมนะนะมันเป็นรักงเชี่ยรักแท้ก็ต้องโมทนาสาธุที่ที่เราเนี่ย การดูรู้คุณัติเหีุเกิดถ้าใครไม่รู้จักใช้โอกาสใช้โอกาสเนี่ยนะพวกคุณถือว่าน่าเสียดายแต่ไม่ใช่มันเป็นสิทธิของแต่ละคนอันนี้ทางวิทยาเพื่อรักษาชีวิตชีวิตที่มั น, นเิด่ยวกับกิเลสตัณหารหรอปาุปาทานถ้ากิเกลสแบบนี้ระวางไม่ได้เนะเราจะไปฝันว่ามันจะวางอย่างอื่นได้ นั่นแหละปฏิบัติทีนน่ยังมีที่สีมาหนะ้ายิ้วตะเวมนมาถึงไม่ก้าวหน้อาอนาโนดห น, น้างนี้พวกคุูใช้คำว่าเสียดายทุกคนดูเองนะแต่และคนรีะ ม, มีสิทธาว่าทำเหตุที่สร้างมาไม่ถูกแต่ตอนนี้สำหรับพวกครูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ ถ้าอยู่เราเราควรผลกันถ้าคุณหมอก็ไปทํางานข้างนอกก็จะงงนั้นเออบางคนยังตอบได้ว่าเออคุณพ่อเสียโอเคยังตอบได้คุณพ่อไม่ได้เสียอยู่ดุกวนเลย ถ้าวอะไรก่ เป็นหมื cage, bitch, ่นล้านแสนล้านก็สม ทุกคน เราได้สนองคุณแผนที่เกิดนะเด็กๆที่บวชเนรบวชชีอะไรเนี่ยพวกเรามีสุดยอดไม่ใช่คงผมแค่วันสองวันผมพุ่ยาอีกแล้วคงอีก มาเกิดช่วเกิดช่วง มีกับ กูก็ถามว่าเอาละเมื่อเขาไปหวนเนี่ยเาได้อะไรเขาบอกว่าจะแก่สวยใพวกเาได้อันดั้นกคนตรงนดตาเลิกควาสวยงามเืองไทยเราโคิ้วด้วย อย่างต่วันก็ให้ธรรมะแม่ต้องมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อลบล้าเลิกความขุ่นทันลูกก็ได้ประเด็นเพียนช่วยกัน ก, นนกนารลงศาสนานะแล้วก็เปิดโอกาสให้แม่ฝึกปล่อยวางไม่งั้นกอดพอกันข้าทุกข้าศากเหมือนครอบผู้ศัก เราความคิดแบบโลภียากแบบนั่นน่ะนะหลายคนดูตาขอให้ชีวิตมาปฏิบัติธรรมได้แล้วยังกล้ากลัวยังถามว่าไปที่ อย่างนี้เลยไม่ศาสนาไม่ได้โหดร้ายธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายแต่เราเข้าใจผิดเองวันนี้ลูกฉันนี่แม่ฉันไก่มันไม่ทํานะเป็ดมันก็ไม่ทำบางคนเห็นลูกเต้ามาบวชเนี่ยนะบอกไม่กตันอยูก่กตันอยู่ต้องรู้คุณรู้โทษไม่ได้ไปว่าสนองตัหาเราทักลูกจริงหรือเปล่า เรากลัวลูกคนทุกข์เรากลัวลูกเป็นคนดีใช่ไหมหรือเรากลัวว่าไม่มีคนเลี้ยงเราเนี่ยเรารักใครจริงๆเรารักตัวเองมากกว่าใช่ไหมนี่คือมอเห็นแก่ตัวของมนุษย์น่ยมันถึงกอดคอกันข้ามพก ข, ข้ามชารักแม่มากอู้รักมากเลยแม่เป็นเบาหวานแบบหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานแม่บอกชั้นกูมึงซื้อของหวานให้กูกินเลยกูมีความสุขในกูก็ตายแล้ว เราลักแม่เรซื้อของหวานให้แม่กินเนี่ยแม่ก็ดีใจกอดทอกันไปอันนี้วางแผนข่าแม่ผลสุวางแผนฆ้าแม่ที่เรารักเนี่ยเวียนไหยตายเกิดเรารักแม่จริงไหมถ้ารักแม่จริงๆเนี่ยต้องชี้ทางทำให้แม่ให้แม่กดเพื่อวิบากกรรมที่บันทึกอยู่ในสัญญาในจิตเราทุกวันนี้รักแบบหลงม ง, งาย มไม่ใช่รักจริงๆอย่างในหลวงเนี่รักประชาชนของในหลวงจริงๆพระองค์ทุ่นเทจริงๆแล้วเนี่ยสถานภาพพระองค์นเนี่ยเสกสุญญาเดียวเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยก็เป็นสิทธิไม่เพราะพระองค์รักประชาชนพระองค์แล้วพิสูจน์ยังไงประชาชนพระองค์ก็รักพระองค์ไงนี่คือรักจริงๆไม่ใช่รักแบบหลงงม ง, งาย นะก็ไม่เป็นไรนะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยแน่นอนปวผมของเราเป็นวาระสุดท้ายแล้วส่วนใครจะมีบางคนบอกว่าปวงผมนะเออแต่อยู่ไม่บินมาปวงผมเลยแล้วออกไปจันถือสี่ห้าเพื่อถวายในหลวงบางคนปวงผม จะถือศีลแปดบางคนจะบวชชีเลยบางคนจะบวชเป็นภิกษุเลยทั้งหมดอนุโมทนาสาธุแต่บางคนว่าไม่พร้อมจะจะปองถมปงผมนะนะเพราะว่าติดขาาาัดอะไรเพกูไม่สามเหตุผลนะก็ดีกว่าไม่ทำอันนี้ก็เลือกเอานะอันนี้ก็เปิด เอวันนี้เนี่ขาจะส่งนี้ออกไปเพราะว่าตอนนี้นี่คำถามเยอะไปเยอะแยะมากเอาเป็นว่าเรามาปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่นในหลวงของเราส่วนใครจะทำได้แค่ไหนนั้นก็เป็นนาน า, นาจิตต์แต่พวกผูชี้คุปซับให้เท่านั้นเองเพออยู่ๆเราไปปกปิกปุ๊บออกไปข้างนอกว่าว่างบ้าหรือเปล่า อยู่ๆทำไม่ได้นะแต่ตอนนี้เราต้องใช้โอกาสเนี่ยนะอาศัยบา ร, รมีในหลวงเนี่ยปลดเปลื้องอุปทานของคนรอบข้างเราและเป็นการสแสดงออกไม่ใช่แค่คำพูดนะมันง่ายที่สุดเลยด้วยแค่กวนผมไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วทำไมกลายเป็นเรื่องอยางกต่ หายคนไม่ไม่โกรธก็ไม่ว่าอะไรกันนะแต่พราะครูจะเห็นพราะครูเห็นจิตแล้วหล่งนะพราะครูก็เห็นว่าจิตใคยปฏิบัติมาแค่ไหนถ้าไม่มีวิกฤตใหญ่โอกาสที่สนองคุณแมนดินเกิดก็มีน้อยคนทุกวันนี้พื่แค่ฉันเป็นคนดีฉันเรียนได้ถึงเก่งๆถ้ามาหาเงินให้ก็เสียภาษีให้บ้านเมืองอันนี้ใครๆก็ตอบได้เดีย๋ยวว่าแต่คนไทยทํานะเพราะหลังญี่ปุ่นมานคนไทยเขาเสียภาษีงไง มันไม่มีอะไรพิเศษแต่ตอนนี้พิเศษได้โดมงดยิ่งกว่าพิเศษแค่หุ่นขาวหงดหงิดมันเป็นเลือกใครไครม็ทาได้ไงอันนี้กระตุ้นนะลงผงเป็นการลดล่าเลื่อความเคยชินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัดไว้ว่าเพื่อรักษาชีวิตชีวิตซึ่งเป็นิสลายใจา ก, เก่เลกรหนาว ตัดผมไม่ใช่ตัดคอถ้ายังทำไม่ได้โดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็หมายถึงเราจะละวางสิ่งที่ยึดติดที่มากกว่านั้นไม่ได้แน่นอนทีนี้พูดเรื่องบวชอะไรคือการบวชบวชบวชพระทองบวชก้วยบวชชีนี่ก็บวชนะนั้นบวชอาหารแต่คำว่าบวช ในมรุษเราเนี่ยในศาสนาพุทธเยหมายถึงการถือเพศเป็นนักบวชเช่นเป็นพิสุ์เป็นสามเณรเป็นฤาษีชีไม้ไในว่ามาจากคำว่าปักจารบวชแปลกันว่างดเว้นจากการทาชัว่วลักกาด้วยการสลาดโลภีทิ้งเย้าเดือดไปถืเพศเป็นนักบวเป็นสามณร เป็นภิกษุสามเณรทีพระบวชเนคขมะเพื่อขัดเกลาชีเลและเพื่อความเปนคนจากของทุกทั้งมวลโดยการบวชระยะยาวว่าตะยะสัน้นบ้ทีนี้เราเร็วนีเรามีบวชหน้าฝ่าย อันนึงบวชมีความสุอันนึงบวชการประเพณีทำเพื่ออเขาบอกให้ทาแบบนี้อันนึงบวชอย่งนะอีกอันนึงบวชเพื่อถาวายเป็นพระราช ครอบถ้าเราไม่ต้านมันจริงๆเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะพี่พ่ปู่บอกไปบ่อยเหมือนปานั้ำจิ๋เขาต้องไวโดนกระแสน้ เปลนโนเป่ยาเลากถว่าไปเรีนเมื่อไหร่ไปทำไขายอะไรเมียสานีเขู่เกินักจะดทำวดธันาเนี่ยให้เ้ขาพูดเสถาว่าพี่อยรู้สึกยังไงดีใจครับพี่คอยยังไได้ครับเขาไม่ไดไวที่จลสาเขายู่กัเราหลาเรื่องทงผมยาอยา แต่พวกผมก็ไม่เข้าใจบางท่านปฏิบัติมาตั้งแต่แล้วทําไมข้าพ้นจากับอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นกิเลสที่ยากที่สุดแต่สมัยพุทกาลนะมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องเล่า เ, เรื่องหนึ่งพระคุณเจ้าครูบาอารย์น 3, มุ่งมัน่นวนไปเรียนอยู่ในป่ายังไงก็ไม่บรรลุธรรมพอมีมิดว่า อย่าคาดอกัสชาตินี้ไม่มีแล้วไม่ใช่พง ผ, ผมแล้วพมเลยไม่ขึ้นอีกมาเลยถ้าพมผมมันไม่ขึ้นไมเลยก็แรกกับความกันอยูกับ โดยว้